far ไกลจงมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะใครที่พาให้เธอเดินลงทางมาเจอกับฉันมีคนเป็นล้านคนช่งไรเหตุผลจริงจริงที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่อไร ทายก็ได้แต่ถามตัวเองสซ้ำๆตกลงคือพร้อมริคิดใช่ไหมที่เขียนได้เป็นอย่างดั้นตกลง หายใจก็คิดว่าเป็นของฉันแต่พอได้พบเธอรู้จริงๆลมหายใจคืเอเธอเท่านั้นมีคนเป็นล้านคนช่งไรเหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเอง ตกลงคือพร้อมริคิดใช่ไหมที่เคียนได้เป็นอย่าง น, านั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้หรือไม่โปรดอย่าทำให้เราผัดพลาด จากเป็นคนที่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมจะเขียนเป็นอยู่นานตกลงให้เรารักกันใช่ไหม We call.